พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อพอใจเออ เมื่อนี้ยนะคณะสัตา ย, ยาติโยมโลูกลานศิวะเป็นภาษาใด น, น, น้อหนีนหนอเมื่อนี้เนาะทังภาคกลางมีเพราะนอยอยู่นี่ฮะก็จีบมีบพหลายมากัออกเฮ้ศิวะภาษาอีสานเฮ้ศิวะภาษาภูไทยบ่เหอะลงพอนี่สามภาษาได้ๆๆนลยเนี่ยเอาภาษากลางก็ดีเนาะเพื่อจะได้ฟังทุกทุกคู่ทุกคนเออวันนี้เป็นวันที่เจ็ด มกราคมพุทธศักราช2557พวกเราได้ไประชุมเพิงได้พระราชทานเพิงสรีระของหลวงปู่เราตั้งแต่วันที่5อาทิตย์ที่5มกราคมพุทธศักราช2557สิ่ที่ผ่านมาแล้วก่อนรู้สึกว่าเป็นที่ปลาปลื้มปีติยินดีกับ คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมูเหล่าที่มาพบมาเห็นบางคนยังได้บ่นว่าโอ้ยเสียดายคนที่ตายไม่ได้ไม่ได้เห็นกับพวกเราฮะเออเสียดายผู้ที่ตายไปก่อนไม่ได้เห็นกับพวกเราพวกเราเห็นและไม่ไม่เสียชาติเกิดะหลวงพ่อไปบิณทบาตเ อ, อพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเขาพูดให้หลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เออเออจริงอย่างที่เขาพูดนะ อ, อรู้สึกว่า จะว่าคึกคืนแบบโลกๆก็ไม่ใช่ใคล้ายๆก็เรียบง่ายแล้วก็เป็นการบูชาพระคุณองค์หลวงปู่เราทําไฟขึ้นมาผู้ที่ทําไฟนะั้โอ้รู้สึกว่าทำได้ดีไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คืองานศรีระของประชุมเพิงศรีระของพระราชทานเพิงศรีระของหลวงปู่จามมาหาปุญโยของพวกเราที่ผ่านมา ถ้าบรรยายไปแล้วก็มากทีเดียวแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นเต็มตาเต็มใจของพวกเราแต่วันนี้เป็นวันที่เจ็ดเมื่อ ว, วานนี้ก็เป็นวันเก็บอธิธานขององค์หลวงปู่เราก็ได้แจกอธิธาานองค์หลวงปู่บางส่วนกับคณะจทธายญาติโยมที่มาทางไกลและกับพระที่องค์ไปบางส่วนแต่ก็ยังอีก อยังอีกบางส่วนคงจะได้แจกพระสงฆ์องค์เจ้าที่ยังมีอยู่ที่ยังท่านยังไม่ได้รับอันนี้ก็ขอมอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายโหลวงพ่อได้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเองก็ได้จัดแบ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ่งให้อันไหนเป็นส่วนไหนอันไหนเป็นส่วนไหนอธิษฐานของหลวงปู่เป็นส่วนภายในวัดเผื่อต่อไปภายภาคหน้าจะสร้างพระเจดี หรือจะสร้างมอนหจะสร้างรูปเหมือนอก็อธิษฐานของหลวงปู่ก็เตรียมไว้ส่วนนึ่งแล้วก็เตรียมไว้สําหรับศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่ที่รักเคารพในองค์หลวงปูม่มาได้มากอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งสาหรับพระสงฆ์ที่กูบายจาย์ที่รักเคารพในองค์หลวงปู่จะเอาอธิษฐานของหลวงปู่ไปกราบไหว้เคารพสักการะบูชาก็ อ, อีกส่วนนึงแล้วก็ปี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม ทุกหม่เหล่าหลวงพ่อก็ได้ปรึกษากับคณะกรรมาการเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อไม่ได้ใช้อํานาจบาดหลวงอะไรทั้งหมดนะลูกหลานนะถามทุกคู่ทุกคนเห็นด้วยไหมที่จัดอย่างนี้เห็นด้วยเออนั่นแหละเนี่ยว่าประชาธิปไตยในคนในที่จัดงานคนที่ดูแลเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้มีบุญหนักบุญหนักสักใหญ่อะไรที่จะใช้อํานาจวาสนา กับใครๆกับหมูพวกเพื่อนกับศาสตร์กับโยมกับพี่กับน้องเป็นประชาธิปไตยปรึกษาปราัรบกันซะก่อนเห็นพ้องต้องกันก่อนจึงลงมติในจุดนั้นๆ น, น, นี่แหละหลวงพ่อจะจะว่าลักษณะอย่างนั้นแหละจะว่าหัวอ่อนก็ใช่นะหลวงพ่อนี่นะแต่ว่าแข็งในถ้าว่าผิดทำผินัยแล้วก็หลวงพ่อนี่แข็งนะแข็งโป๊กเลยแล้วก็ถ้าหากว่ามีการปรึกษาปราัรบกันนะกะ ต้องยอมรับหลักเหตุผลซึ่งกันละกันเพราะเหตุผลแต่ละอย่างอันไหนใครเหนือกว่ากันที่พูดออกมาก็ยอมรับและจบกันเพียงแค่นั้นนะไม่ได้มีอะไรแล้วก็งานของลพปูของเราก็สำเร็จร่วงไปด้วยดีก็ด้วยน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนทุกมุมทุกเหล่าไม่ว่าการาชกาาทุกหน่วยงานไม่ว่าครูบาอาจารย์ทุกวัดวาศาสนาทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานที่หลวงพ่อมอบความไว้วางใจหลวงพ่อเคยขอมาเอ้ยน้องๆทั้งหลายผู้ที่รู้เรื่องน้ำรู้เรื่องไฟรู้เรื่องขยายเครื่องขยายเสียงรู้เรื่องเต้นรู้เรื่องโลงทานหลวงพ่อก็จะได้ขอกกน้องน้อ ง, องทั้งหลายมาช่วยงานท่านก็เต็มใจด้วยการมาทำงานในครั้งนี้คราวนี้เพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ หลวงพ่อเห็นแล้วก็เปลื้มใจกับน้องๆทั้งหลายที่มาช่วยงานในครั้งนี้คราวนี้เพราะฉะนั้นพวกเรามาทํางานด้วยกันต่อไปภายภาคหน้ามีอะไรก็เรียกร้องหากันมีความพร้อมเพียงสัมัาเกีกันนี่แหละงานของหลวงปู่ของเราหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจเดินไปที่ไหนทั้งที่หลวงพ่อไม่ได้ทํางานนะไม่ได้ยกขาตรงขาเต้นกับเขาหรอกแต่อยู่ในกุฏิอยู่ในที่ร่มแต่หลวงพ่อมีแต่ใช้ความคิด ใช้ความประสานงานใชเ้เรื่องต่างๆที่มันมีอยู่ในในตัวหลวงพ่อเองที่จะช่วยเหลือจุดไหนสิ่งไหนได้หลวงพ่อก็พยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับงานคงองค์หลวงปู่ของเราเพผลงานออกมาก็ออกมาโดยดีแต่ไม่ใช่บา ร, รมีและไม่ใช่ความคิดของหลวงพ่อองค์เดียวเป็นหน้าที่เป็นบา ร, รมีของพวกลูกพวกหลานทุกคู่ทุกคนตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า ที่มาร่วมกันใช้จติตใช้ปัญญาใช้แนวความคิดที่จะจัดงานของหลวงปูง่ออกมาก็เป็นที่ยอมรับถึงใครจะไม่ยอมรับก็เถอะนะหลวงพ่ออินนี่ยอมรับยอมรับในผลงานของพี่พี่น้องๆลูกลูกห ล, ลานหลานที่ออกมาเป็นที่พอใจที่ผ่านมาเพราะนั้นขอขอบคุณขอขอบบุญขอบคุณของพี่น้องน้ำจิตน้าใจทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเรื่องโรงทานโรงทานฟังฟังดูแล้วผู้ที่มาจดทะเบียนประมาณ800อกว่าแต่ถ้าหากบอกพู้ที่ไม่มาจดทะเบียนมาแล้วก็ทําไปเลยอันนั้นดูดูแล้วประมาณพันกว่าพันกว่าโรงเหมือนกันนะรวมกันแล้วทั้งหมดนะแล้วพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า800ที่มาจดทะเบียนเพอๆอาจจะถึงหมื่นก็ไม่ทราบนะพระสงฆ์ก็มากพี่น้องประชาชนเป็นแสนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระสงฆ์ประมาณ3ามถึงพัน พี่น้องประชาชนทั้งหลายเมื่อหลวงพ่อพูดวันนั้นก็คงจะคิดๆเหมือนกันนะแต่วันพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วกัพี่น้องประชาชนหลวงพ่อบอกว่าประมาณหกหมื่นนะแต่ดูๆแล้วก็แสนกว่าเนี่แหละถ้าดูๆแล้วงานขององค์หลวงปู่ของเราออกมาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่ต้องบรรยายมากแต่ก็ด้วย ความคิดความสามารถของพวกลูกหลานทุกคู่ทุกคนที่ช่วยกันแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาตัวองค์หลวงปู่เคารพสักดิ์สในองค์หลวงปู่งานจึงได้ออกมาดีถึงขนาดนี้แต่ทุกเสียงทุกอย่างตลอดถึงจะถูปัจจัยที่ได้มาในงานนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็บอกว่า หลวงพ่อจะอยู่นานเท่าจากเท่าไหร่เขาถามตั้งแต่งานจบหลวงพ่อก็บอกว่าประชมเพลิงองค์หลวงปู่วันที่ห้าวันที่6เก็บอธิษาตคงจะช่วยช่วยกันดูแบ่งอธิษฐาตอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องหลวงพ่อก็ได้บอกกับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าวันที่เจคงจะเคลียร์งานเป็นหนี้เป็นศินที่ไหนบ้างไหมลูกหลาน แล้วว่ามีปัญหาอะไรไหมลูกหลานแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาหลวงพ่อก็คงจะเคลียร์งานวันที่7ดแล้วกับวันที่แปดก็เคลียร์อีกจนเคลียร์จนจบงานจนหมดปัญหาหลวงพ่อจึงจะกลับเพราะว่าหลวงพ่อไปดูงานในที่ต่างๆไม่ใช่ว่าพองานเสร็จก็กระโดดหนีกระโดดหนีพอกระโดดนี้พวกอยู่ทางลังเออหลวงพ่ออินพอจัดงานเสร็จแล้วกลัวนี้กลัวศีลกลัวได้ ใจตรงใจต่างเห็นไม่กระโดดนี้ไปก่อนแล้วเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจึงอยู่ดูงานว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่เมื่อวานก็หลวงพ่อก็ได้จัดอธิทาตแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นแต่เรื่องเจตุปัจจัยหลวงพ่อก็ได้ถามคณะกรรมาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอ่พออุทิศพ อ, อนิพน์เข้ามาพูดที่ดูแลในจุดนี้ก็บอกว่าเป็นไปได้ครับ ไม่มีปัญหาเรื่องจตุปัจจัยเพียงพอที่จะใช้ใจ่ายในงานองค์หลวงปู่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อทราบแล้วก็พอใจในผลงานของลูกหลานของคณะสัตยาติโยมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาหลวงพ่อเองก็มาอยู่ที่นี่นานเท่านานเดือนกว่ามาปักหลักอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อก็มีวัด ว, ดวดาจารยสนามีลูกน้อง มีทุกสิทธิ์ลูกหาญาติโยมลูกหลวงพ่อก็ต้องรับผิดชอบอยู่ทางนู้นเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาที่นี่แล้วก็จะไม่มีที่อื่นพหลวงพ่อเองมาที่นี่ก็คือทุ่มเทอย่างสุดหัวใจต่อองค์หลวงอาของหลวงพ่อแต่บัดนี้งานก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก่อนหนี่ศีลก็ไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อคิดว่าคงจะาลากราบลาองค์หลวงปู่ของพวกเรากับวัดลนะที่นี่วันนี้นะแล้วก็ลาพี่น้องสัทยาญาติโยม พระเนนลูกหลานทุกองค์นะให้อยู่เย็นเป็นสุข อ, อยู่อยู่ด้วยความสงบสุข อ, อยู่ด้วยความาบําเพ็ญศีลสมารถปัญญาขอให้มีความสุขดวงตาเห็นธรรมในที่สุดแต่หลวงพ่อมาคราวนี้นะหลวงพ่อได้จดลายชื่อของพระมาเดี๋ยวนี้พระของหลวงพ่อนะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะยี่สิบสององค์ที่พระมาจากวัดหลวงพ่อนะอยู่ที่นี่แหละนี่ฉันจังหันอยู่นี่ แล้วก็พระมาจากวัดสาขาที่หลวงพ่อที่ออกไปเป็นเจ้าวาดบังรองเจ้าอาวาดบังเนี่ยที่มาร่วมในวันนี้ในงานนี้เดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้สิบเก้าองค์นะอ่าสิบเก้าองค์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกน้องของหลวงพอ่อเป็นญาติโยมที่มาเก็บเต็นต์จัดการจัดงานไม่นับแม่ครัวนะนับแต่เฉพาะผู้ชายเลยยี่สิบสองคนจบแล้วนะ หลวงพ่อได้ทุ่มเทเลี้ยงดูพวกน้องๆพวกลูกๆ ล, ล, ลานหลานของหลวงพ่อที่มาร่วมงาน63คนนะลูกหลานเนี่ยตรวงพ่อถ้าไม่บอกให้ฟังพวกลูกหลานสตาแยโจงก็คงไม่รู้ว่าหลวงพ่อเด้เอาลูกหลานมาช่วยงานมากน้อยแค่ไหนคนตั้ง63คนนะมาช่วยงานในคราวนี้ในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจแต่วันนี้ก็คงจะเอาพระที่ มาจากวัดหลวงพ่อ22่สิบสององค์กลับไปก่อนส่วน19องค์หลวงพ่อข อ, ขอให้พวกลูกๆห ล, ล, ลา น, ลานของหลวงพ่อยอยู่ที่นี่ก่อนหนะ้าพร้อมกับศรัทธาญาติโยมทั้งนนยี่สิบสอคนให้ดูกันให้เก็บตงเก็บเต้นเก็บสิ่งเก็บของให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางซะก่อนแล้วยังค่อยกลับแยกย้ายไปกลับไปปุตที่พักที่วัดของตนเองหลวงพ่อกระสังอย่างนั้นแต่ก็พร้อมการหลวงพ่อเอกจะสั่ง ในครัวครัวกลางของของเรานี่แหละเพราะพระเนนทุกองยังไม่ได้กลับเพราะว่ายังขนย้ายสิ่งของยังไม่จบเพราะรับผิดชอบมาเราก็ต้องส่งกลับการส่งกลับครั้งนี้ก็จะต้องใช้คนจะต้องใช้รถจะต้องใช้อะไรมากมายที่ทจะส่งกลับแต่อาหารในครัวบางครัง้งเราก็ปิดเราทำอาหารเพียง6กโมงเย็นแล้วก็ขอให้พระ พี่เลี้ยงพระที่ดูแลงานสั่งกำชับทางโรงครัวด้วยมอบให้พอโออุทิศแล้วก็โยมม่งวงหรือว่าผู้ใดก็าตามนะกขอขอฝากไปด้วยว่าถ้าว่าผู้ที่ไปทำงานไปส่งของไปส่งของสกลนครมีคนทั้งหมด10คนหรือย0สิบคนกลับมาอาจจะถึงสามทุ่มหรือสี่ทุ่มขอให ผู้หัวหน้างานพี่เป็นพระครูบายอาจาร์เนี่ยดุกน้องตัวเองไปทำงานก็ขอบอกทางในครัวว่าขอจัดอาหารไว้ให้ด้วยคนประมาณยี่สิบคนจะมาทานอาหารประมาณสี่ทุ่มเดี๋นี้กำลังไปส่งของอยู่ก็ควรจะบอกอย่างนั้นนะอไม่ใช่ว่าไม่บอกทางในครัวไม่รู้ทางครัวก็ไม่รู้จักว่าใครไปทำงานที่ไหนพอมาแล้วก็ไม่มีอาหารพอมีไม่มีอาหารกับหัวหน้าก็ต้องควัก เงนในกระเป๋าไปซื้อกล้วยเตี๋ยวไปซื้อตำส้มมะฮุงมาเลี้ยงลูกน้องมันก็นหลายเงินเหมือนกันนะควักหลาโหนต่อไหลโหนกันหน้ามืดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาหารในกลัวก็จําเป็นเนอพี่น้องลูกหลานตรงพ่อขอสั่งเสียไว้กองทัพไปด้วยท้องอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมามากต่อมากนานต่อนานหลายครั้งต่อหลายโหนเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระนจธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะดูแลพระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์ก็เหมือนกัน ถ้าว่างานยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยก็ขอให้ดูดูดแลงานให้เรียบร้อยเจ้ากนส่วนค่าใช้ใจ่ายเสียหายชำรุดอะไรหลวงพ่อถึงจะอยู่นาคาน้อยก็เถอะโทรไปได้ให้อาจารย์หน่อยแล้วโทรไปหาท่านอาจารย์รัตนะท่านท่านหน่อยพูดที่เป็นลูกน้องลูกศิษย์กองหลวงพ่อต้องรับผิดชอบต้องบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไปไม่ถอ ย, ยพูดอย่างนั้น แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็มั่นใจในพี่น้องทั้งพอออกุทธิศักดิ์คณะกรรมการของวัดเนี่ยท่านเหล่านี้ก็มีน้าใจอยู่แล้วถ้ามีความม่ค่าถ้าว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นนะพวกนี้ก็พร้อมที่จะรับจัดการในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้ารับไม่ไหวแบกไม่ไหวกระโศบอกไปนะหลวงพ่อเนี่ยงานของหลวงปู่จามเนี่ยหลวงพ่อบอกแต่ทีแรกแล้วว่า เอาหลังพิงกำแพงเลยไม่ถอยมาเลยมาจะมาท่าไหนเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อพร้อมที่จะช่วยงานนั้นๆโดยความเป็นธรรมไม่ใช่ทางเป็นโลกนะทางเป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็นธรรมหลวงพ่อจะยืนอยู่จุดนั้นจะ ช, ช่วยงานหลวงปู่ให้สาเร็จตุล่วงไปด้วยดีแต่มาบัดนี้หลวงพ่อเห็นแล้วงานของหลวงปู่เป็นที่ภาคภูมิใจของหลวงพอ่อถึงใครจะ เสียใจยังไงก็ช่วยไม่ได้แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพอ่อพอใจเนอะคณะสัตยาญาติโยมน้องนุ่งทางหลายเนอะหลวงพ่อไม่ได้มีความขัดข้องมองใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทางหมดผมหลวงพอ่อเรียนรู้ทางคดีโลกคดีธรรมมาแล้วคดีโลกหลวงพ่อก็เรียนมาคดีธรรมหลวงพ่อก็เรียนมากิเลสภายในใจหลวงพอ่อเรียนมาในใจของหลวงพอ่อ มันมีอะไรบ้างโลกโกรธหลงอิจฉาพยาบาทอาคาตจองเวนมันมีอยู่ในโลกนี่แหละแต่มันไม่ไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นพวกเราจะอยู่ในโลกมันก็ต้องอยู่ในวัฏฏะมกุกวนเวียนอยู่เหล่านี้มีทางเดียวเท่านะั้นอย่ามาเกิดเท่านะั้นแต่ทำยังไงจึงชําระใจของตนเองไม่ให้มาเกิดให้ถึงพระนิพพานถ้าให้จบจบไปจะมาเกิดในวัฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานอันนั้นนะ่ะดีที่สุดคนณะสัตย า, าธาิโ ย, ยมลูกหลานเนะ้อ เออนี่โยมสวจิต อ, อที่มาพูดแต่ที่ไร้ที่ประชุมแต่ทีแรกว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถดูดซ่วมค่าดูดซ่วมหองน้ำที่มันตรงมันเต็มสวอบอกว่าผมประวัลนถ้ามันเต็มแล้วก็เอาเลยสูบเลยเแล้วก็ค่าใช้จ่ายผมรับแต่ที่ท่านก็ บอกว่ามาแจ้งข่าววันนี้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านช่วยงานดูดซ่วมสี่หมื่นหกพันบาทเนอลูกหลานเนอสาธุเนอะลูกหลา น, นสี่หมื่นกหกพั น, น 4, 6, บาทครๆบ่ตรซ่วมใครใครก็มาแล้วมันถ่ายทุกข์ได้ใช่ไหมอสอวจิตท่านรู้จักวิธีเอาบุญกับปกคณะสัทธาาติโยมเหมือนกันนั่นะคู่คนคู่บาอาจารย์เวลาปวดท้องปวดถ่ายมันทุกข์ขนาดไหนใช่ม ถ้าถ้าส่วมเต็มแนะ้วททำไงใช่ไหมทามันรดนะี่ทำไงตยายแล้วเนี่ะเออนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อเองขอโมทนาเนอะโยมสวบอนะเ อ, อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพาพระสงฆ์โมทนาให้พร น, นะวันนี้นะลูกหลานนะ